บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปที่ได้กล่าวมาในวันก่อนนั้นคือเรื่องของการปฏิบัติเมื่อประสบปัญหาบ้างและชั้นของการปฏิบัติบ้บางในชั้นของการปฏิบัติเริ่มต้นนั้น ท่านแสดงว่านิมิตคือจุดที่ตั้งสติกำหนดระลึกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกถึงแม้จะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นคนละขณะ ก, กันก็ตามซึ่งท่านใช้โวหารที่ละเอียดว่าเป็นอาการของจิตคนละดวงกันแต่ว่าในชั้นของการปฏิบัติแล้ว สติของบุคคลจะไม่ต้องเผลอเร่อจากอารมณ์ทั้งสามประการนั้นคือจะต้องระลึกอยู่ที่นิมิตลมอัตสาสะและปัตสาสะคล้ายๆกับว่าเป็นตัวเชือกที่ผูกโยงสติเอาไว้ไม่ให้พลากไปจากอารมณ์เหล่านั้นและเมื่อบุคคลปฏิบัติไปปฏิบัติไป จะเกิดนิมิตอย่างหนึ่งขึ้นมานิมิตที่กล่าวนี้ไม่ใช่นิมิตที่ตั้งสติกำหนดะ ร, รึกเป็นผลจากสัญญาในอดีตที่บุคคลเหล่านั้นได้ประสบพบเห็นมาเป็นตูกระตุน้นซึ่งหมายความว่าสัญญาในอดีตของบุคคลนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เมื่อนิมิตของกรรมฐานปรากฏขึ้นก็จะปรากฏขึ้นตามสัญญาในอดีตของบุคคลเหล่านั้นนิมิตเหล่านี้เป็นนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจมักจะเป็นปัญหาในชั้นของการประพฤติปฏิบัติว่าควรจะทำอย่างไรเมื่อนิมิตเหล่านั้นปรากฏขึ้นพระอาจารย์ทั้งหลายในปางก่อน ก็มีความเห็นขัดแย้งกันพระอาจารย์บางพวกบอกว่าเมื่อนิมิตปรากฏขึ้น mm. เช่นมีลักษณะเป็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นแสงต่างๆเป็นต้นนั้น mm. ก็ให้บุคคลตั้งสติกำหนดรลึกอยู่ที่นิมิตเหล่านั้นอย่าให้จิตพลากจากนิมิตเหล่านั้นแล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นโดยลาดับ เป็นอัปปนาสมาธิคือแน่แน่เหมือนกันแต่อาจารย์อีกพวกหนึ่งบอกว่าอย่าได้ใส่ใจถึงนิมิตเหล่านั้นให้มนัสสิการอารมณ์ของกรรมฐานที่กำลังปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นให้มากข้าวโดยท่านใช้คำว่าให้มนัสสิการคือใส่ใจตัวอารมณ์ให้มากข้าวอย่าให้สติพลากจาก นิมิตลมหายใจเข้าและลมหายใจออกดังที่ได้กล่าวแล้วเมื่อพระอาจารย์มีความเห็นขัดแย้งกันอย่างนี้เวลาคนรุ่นหลังมาอาธาิบายก็อธิบายไปตามความเชื่อถือที่ตนปรักใจว่าอาจารย์เหล่านั้นกล่าวถูกต้องความเห็นในเรื่องนี้จึงแตกต่างกันออกไปสองฝากสองฝ่ายดังที่ได้กล่าวแล้ว เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นนี้ก็จะต้องศึกษาว่าพระผู้มีพระภาคยาาทรงแสดงเรื่องนี้ไว้อย่างไรในข้อนี้ได้ทรงแสดงให้บุคคลทราบว่านิมิตนั้นเป็นเพียงเครื่องหมายว่าการปฏิบัติของตนบังเกิดผลจิตใจเริ่มปรับตัวเข้าสู่ความสงบ จนเกิดเป็นภาพทางใจขึ้นมาแต่ว่าภาพทางใจนั้นเกิดขึ้นจากสัญญาในอดีตดังที่ได้กล่าวแล้วบุคคลจึงไม่ควรใส่ใจในนิมิตเหล่านั้นนิมิตเป็นเพียงทางผ่านที่บุคคลจะพึงประสบพบเห็นแม้การเที่ยวไปด้วยกายของบุคคลก็จะพบเห็นสถานที่ทิวทัศน์ต่างๆเป็นอันมาก แต่ถ้าหากว่าไปเพลิดเพลินอยู่ในทิวทัศน์เหล่านั้นจุดหมายปลายทางที่บุคคลต้องการจะไปก็ไม่อาจที่จะไปถึงได้นิมิตของกรรมฐานมีลักษณะที่ช่วยให้ติดทําให้เพลิดเพลินทําให้เกิดความชื่นบานภายในจิตใจของบุคคลผู้ปฏิบัติถ้าหากว่าไม่มนสิการคือทำไว้ในใจด้วยอุบานแยบขายแล้ว ก็อาจจะติดอยู่ที่นิมิตเหล่านั้นได้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงไว้โดยทำนองเดียวกันกับมติของอาจารย์พวกที่สองคือให้เพ่งพินิษ ด, ดูที่นิมิตของกรรมฐานซึ่งผู้ปฏิบัติใช้เป็นตัวกําหนดระลึกหรือเป็นเครื่องกําหนดระลึกคาว่านิมิตของกรรมฐานนั้นจะพูดเจาะจงลงไปไม่ได้ว่านิมิตอะไร เพราะกรรมฐานมีถึง40ประการใครเลือกปฏิบัติกรรมฐานข้อใดก็ให้ตั้งสติระลึกอยู่ที่มินิมิตของกรรมฐานข้อนั้นเช่นผู้ปฏิบัติในอนาปานสติกรรมฐานก็ให้ตั้งสติระลึกอยู่ที่จุดซึ่งลมกระทบหรือที่จุดซึ่งใจของบุคคลไปกาหนดจุดในขณะนั้นให้บ้าขึ้นไม่ได้ใส่ใจถึง พวกนิมิตภายในใจที่บางเกิดขึ้นจะทำให้ความสงบเกิดขึ้นภายในจิตใจจนย่งจนอย่างลงสู่อัปปนาสมาธิคือความแน่วแน่ทางจิตจนถึงปฐมฌานโดยลำดับการปฏิบัตินั้นตามหลักที่ทรงแสดงไว้แล้วเป็นการประกอบเหตุ ขจัดเครื่องเศร้าหมองใจออกไปเพื่อให้เกิดเป็นความสงบประการหนึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างกุศลธรรมขึ้นภายในจิตใจเพื่อให้กุศลธรรมเหล่านั้นทําหน้าที่ขจัดกิเลสที่มีอยู่ภายในใจประการหนึ่งซึ่งจะปฏิบัติโดยวิธีใดก็ตามผลจะออกมาในลักษณะเดียวกัน ดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่าคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นในชั้นของเหตุแล้วก็แบ่งออกเป็นสองชุดด้วยกันชุดแรกคือปหานะหมายถึงพวกกิเลสได้แก่กลุ่มสมุทรไทยทั้งหลายนั้นจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องละออกไปชุดหนึ่งเรียกว่าภาวนา คือกระทำบำเพ็ญความดีให้บังเกิดขึ้นแต่ว่าเวลาทรงแสดงบางคราวนั้นจะทรงเน้นไปที่ภาวนาเป็นสำคัญภาวนาจึงเปรียบเหมือนกับการจุดแสงสว่างขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งจะสว่างมากหรือสว่างน้อยก็ตามแสงสว่างนั้นจะทำหน้าที่กระจัดความมืดให้ออกไปจากจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องภาวนา ก็คือกุศลละธรรมทั้งหลายนั่นเองเมื่อกุศลละธรรมบางเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วก็จะทำหน้าที่กระจัดบันเทอระงับดับอกุศลละธรรมที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับตนให้ออกไปจากจิตใจดังนั้นเมื่อมาถึงไตยยของเนกขมะที่เคยกล่าวมาในวันก่อนจึงทรงแสดงจาแนกออกไปหลายไตยยด้วยกัน โดยจัดเป็นพระพุทธภาสิทธป่าพระประชาหนึ่งผสมมชาหนึ่งวิปัสนาหนึ่งนิพพานหนึ่งกุศลละธรรมทั้งปวงหนึ่งเหล่านี้ได้ชื่อว่าเนคขมะดังนี้คำว่าเนคขมะแปลว่าการออกเพื่อคุณอันใหญ่เป็นการแสดงถึงลักษณะกริยาของบุคคลที่ออกไปจากสิ่งซึ่งเกี่ยวกับ ยึดเหนี่ยวตนเอาไว้ได้แก่การมกุณทั้ง5ประการอีกประการหนึ่งแปลว่าการงดเว้นกล่าวถึงเจตนาของบุคคลที่จะงดเว้นไม่ประพฤติกระทรรมในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลอีกประการหนึ่งหมายถึงการออกบวชเป็นนักบวชในเพศต่างๆดังที่ทราบกัน ความหมายของบัพปิชาทั้งสามในยะนี้ผลจะออกมาในลักษณะเดียวกันคือเป็นการสารวมเป็นการระวังเป็นการบรรเทาเป็นการละเป็นการดับกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลเป็นประการสำคัญแต่ถ้าหากว่าบวชเฉพาะร่างกายอย่างเดียวจิตใจไม่ได้บวชด้วย ผลที่จะเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรมากนอกจากได้บวชเท่านั้นเองดังนั้นในชั้นของการปฏิบัติจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆว่าจะต้องบวชเป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นภิกษุณีเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าบุคคลสามารถทำใจให้ส ง, งบระงับได้ในชั้นของปฐมฌานเป็นต้นไปก็ชื่อว่า เป็นเนกขมะเพราะเป็นการออกจากกิเลสและการออกจากกิเลสในลักษณะนี้ก็ให้เกิดคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ภายในจิตใจของบุคคลเพราะอะไรเพราะว่าในชั้นของปฐมฌานนั้นนิวรธรรมซึ่งเป็นตัวการสําคัญที่จะต้องสงบระงับด้วยอํานาจของสมถกรรมฐานนั้นได้ถูกสงบระงับไป ด้วยองค์แห่งจานทั้งหประการคือวิตกที่บางเกิดขึ้นทําหน้าที่สงบถีนมิธะความง่วงเหงาหาวนอนออกไปวิจารณ์ที่บางเกิดขึ้นทําหน้าที่สงบวิจิกิชาออกไปปีติที่บางเกิดขึ้นทําหน้าที่สงบพยาบาทสุขที่บางเกิดขึ้นทําหน้าที่สงบอุทธจกุกุจฉ์ สมาธิที่บังเกิดขึ้นก็ทำหน้าที่สงบกามฉันคือใจที่สายนึกคิดไปในอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจให้สังเกตว่าตัวกามฉันนั้นแม้แต่ความอยากสงบต้องการให้เกิดเป็นสมาธิต้องการให้จิตมีความสงบเร็วๆเป็นต้นตลอดถึงต้องการเห็นนิมิตของกรรมฐาน ในขณะที่ตนยังปฏิบัติก็ยังชื่อว่าเป็นกา ร, รมาฉันอยู่นั่นเองดังนั้นถ้าหากว่ายังมีความรู้สึกในธรานองนี้บังเกิดขึ้นการสงบกา ร, รมาฉันก็จะปรากฏไม่ได้เพราะลักษณะของอารมณ์เหล่านั้นเปรียบเหมือนความมืดเมื่อยังมีความมืดอยู่แสงสว่างก็ไม่บังเกิดขึ้นดังนั้นในชั้นของปฐมฉานนี้ จึงได้ชื่อว่าเป็นเนคขามะด้วยเพราะได้ออกจากอำนาจของกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นกรุ้มรุงใจในชั้นที่สองที่เรียกว่าวิปัสนาคือความเห็นอย่างแจ่มแจ้งในสังขารและในธรรมทั้งหลายได้ แ, แก่ความเห็นตามความเป็นจริงได้ปเปกข้าใจว่าคำว่าวิปัสนานั้นจะต้องเป็นการเห็นอย่างแจ่มแจ้ง ตามพระใจลักษ์คือความจริงอย่างแท้จริงแห่งสังขารทั้งหลายซึ่งมีการเกิดขึ้นมีการเสื่อมไปมีการแตกสลายไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการเห็นของชั้นวิปัสสนานั้นถือว่าเป็นทิฏฐิวิสุทธิ์เป็นความเห็นที่บริสุทธิ์แต่จะจัดเป็นทิฏฐิวิสุทธิ์ที่สมบูรณ หรือจะเป็นวิปัสนาที่แท้จริงจะต้องสามารถข้ามพ้นความสงสัยในสังขารทั้งหลายไปได้คือไม่สงสัยในชีวิตอดีตไม่สงสัยในชีวิตอนาคตไม่สงสัยในเรื่องชีวิตปัจจุบันสรุปว่าไม่สงสัยในเรื่องของขันห้าโดยเข้าใจตามความเป็นจริงว่าขัานห้านี้เป็นกระบวนการของธรรมที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย ความมีอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันนั้นถ้ายังมีเหตุมีปัจจัยอยู่ความมีอยู่ก็ปรากฏเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากว่าบุคคลดับเหตุดับปัจจัยของความเกิดความมีอยู่ของขันทั้งห้าก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยที่ให้มีให้เป็นแห่งขันทั้งหลายได้ถูกทำลายไปหมดแล้ว ความเข้าใจในชั้นนี้จึงเป็นการเข้าใจแบบที่เรียกว่าสุทธัรธมาปวัตติคือเป็นกลุ่มของธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยดังที่กล่าวแล้วประการต่อไปนิพพานที่ทรงแสดงว่าเป็นตัวเนคขมะซึ่งเป็นตัวเนคขมะที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะเป็นการออกจากอำนาจของกิเลสอย่างแท้จริง เมื่อปริยายแห่งธรรมะกว้างขวางออกไปโดยในยะนี้คําว่านิพานในที่นี้จึงหมายอยู่เพียงสองอย่างเท่านั้นคือสอุปาทิเสสนานิพานที่แปลว่าดับกิเลสแต่ยังมีเป็นญจการเหลือความหมายของนิพานประเภทนี้ท่านยังจําแนกออกเป็นสองฝ่ายด้วยกันในยะหนึ่งได้แก่การดับกิเลสอย่างเด็ดขาดของพระเรียเจ้าทั้งหลาย ตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปในย่าที่สองนั้นหมายถึงการดับกิเลสโดยสิ้นเชิงของพระอระหันต์และท่านยังไม่ได้นิพพานคือยังไม่ตายท่านจัดเป็นประเภทของสอุปาทิเสสนิพพานและนิพพานประเภทหนึ่งเป็นอนุปาทิเสสนิพพานคือเป็นการดับทั้งกิเลสและดับทั้งขันได้แก่พระอระหันต์ที่ ไปนั่นเองแต่เนื่องจากเป็นการดับรอบไม่มีชาติไม่มีภพไม่มีกิเลสอีกต่อไปจึงได้ชื่อว่าเป็นปรินิพานที่แปลว่าดับรอบหมดเชื้อที่จะก่อเกิดเป็นชาติเป็นภพอีกในสังสารวัฏจึงเป็นการออกจากทั้งกิเลสทั้งทุกข์ทั้งสังสารวัฏ คามออกได้ในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการออกอย่างยิ่งใหญ่เป็นบรมสุขเป็นบรมธรรมเป็นความว่างความว่างเปล่าจากตัวตนเราเขาจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ซึ่งมีชื่อแตกต่างกันออกไปในข้อสุดท้ายนั้นได้ทรงสรุปออกมาในคําว่ากุศลธรรมทั้งปวงชื่อวเนคขมะ ซึ่งเป็นการกล่าวโดยสรุปว่าการปฏิบัติที่บุคคลผู้เกิดศรัทธาต่อธรรมะคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้มาประพฤติปฏิบัติตา่างไม่ว่าจะเป็นกุศลและธรรมชั้นใดก็ตามเมื่อบุคคลโอปัญิโกคือน้อมนามาประพฤติปฏิบัติแล้ว กุศลธรรมเหล่านั้นก็จะทําหน้าที่เป็นสันเลขาคือขัดเกลา้อาอกุศลที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลพระธรรมที่ทรงแสดงไว้นั้นนอกจากจะเป็นสวักขาแตธรรมคือธรรมะที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วอย่างที่สวดกันว่าสวากขาโตพระกัตาธรรมโมซึ่งแปลเป็นใจความว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว กระทำยังเป็นสันเลขาธมโมคือเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสออกไปจากจิตใจของบุคคลเมื่อขัดเกลวได้แล้วก็จะนำจิตของบุคคลออกจากอำนาจของกิเลสจากอำนาจของความทุกข์จนถึงกระแสะแห่งสังสารวัฏธรรมะจึงเป็นนิยานิโกที่แปลว่าผู้นำออกหมายความว่า นำจิตใจออกจากสิ่งดังที่ได้กล่าวแล้วเมื่อจิตใจถูกนำออกไปจากอำนาจของอกุศลดังกล่าวธรรมะก็กลายเป็นสันติธรรมโมคือมีความสงบมีความเยือกเย็นปรากฏขึ้นภายในจิตใจของบุคคลจนถึงเป็นความสงบอย่างสูงสุดไม่มีความสงบอื่นจะเทียบเทียมได้ ดังที่ทรงแสดงไว้ว่านัตสันติปรังสุขังความสุขมีความสงบเป็นอย่างยิ่งหรือว่าความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่งคำว่าสงบในที่นี้ก็คือสงบกิเลสนั่นเองส่วนความทุกข์ก็ดีสังสารวัตรก็ดีเป็นผลที่เกิดมาจากกิเลสเมื่อสงบกิเลสได้แล้ว ความทุกข์และสังสารวัติก็ชื่อว่าสงบตามไปด้วยดังนั้นในชั้นนี้แม้ในชีวิตประจำวันของบุคคลก็สามารถที่จะบำเพ็ญเนคขมะปฏิบัติคือปฏิบัติเพื่อออกจากอำนาจของกิเลสได้โดยการน้อมนำเอากุศลและธรรมมาเป็นหลักคุ้มครองใจตนเองในขณะนั้ น, น, น เช่นว่ากระทาพูดคิดอย่างมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาก็เป็นการขจัดความเผลอเรอความพลังพลาดความหลงลืมแห่งสติซึ่งมักจะเกิดขึ้นศาบใดที่มีสติอยู่ภายในจิตใจอกุศนธรรมในลักษณะดังกล่าวก็จะไม่บังเกิดขึ้นหรือว่าน้อมนำเอาธรรมะคือขันติ ความอดทนโสรัจจะความสงบสงเงียมมาเป็นหลักคุ้มครองจิตใจตนไว้ในขณะนั้นก็ชื่อว่าเป็นการทำจิตของตนให้ออกจากอำนาจของกิเลสทั้งหลายซึ่งมีแรงกระตุน้นมีสิ่งรามาจากภายนอกเป็นบ่อกเกิดแห่งกิเลสนานาประการเช่นความวิปริตแรปรปรวนตามธรรมชาติ หนาวไปร้อนไปเป็นต้นเมื่อมีขันติความอดทนคุ้มครองใจก็ไม่เกิดเดือดร้อนไปเพราะอํานาจแทงธรรมชาติเหล่านั้นบางครั้งบางคราวเกิดทุกขเวทนาปวดเมื่อยหรือว่าเจ็บกายตลอดถึงโรคภัยค่าเจ็บเสียดแทงเป็นต้นแต่เมื่อบุคคลอดทนไว้ได้กิเลสจะเกิดขึ้น เพราะอาศัยเหตุเหล่านี้ไม่ได้บางคราวประสบกับสิ่งหรือการกระทำที่ไม่พึงปรารถนาถ้าหากว่าบุคคลขาดความอดทนแล้วกว่าจะมีการด่าตอบผู้ด่าประหารตอผู้ประหารประทุษร้ายต่อผู้ประทุษร้ายแต่เมื่อมีขันติคุ้มครองใจเอาไว้การด่าตอบเป็นต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ ในขณะนั้นชื่อว่าเป็นเนกขมะปฏิบัติคือเป็นการปฏิบัติเพื่อทำจิตของตนให้ออกจากอำนาจของกิเลสซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเพราะความไม่อดทนเป็นเหตุในขณะเดียวกันถ้าหากว่าก้าวไปจนถึงขั้นที่เรียกว่าโสระจัคือมีความสงบสงเงียมอดทนได้แล้วทั้งไม่แสดงอาการของความโกรธเป็นต้น ให้ปรากฏขึ้นทางอาการกายอาการวาจาและใบหน้าตลอดถึงจิตใจก็ไม่ได้เก็บเรื่องเหล่านั้นเอาไว้ย่อมชื่อว่าเข้าถึงธรรมะคือโสรจะแสดงเห็นว่าในขณะนั้นแม้อาการทางกายทางวาจาก็ไม่ถูกบงการด้วยกิเลสเพราะจิตใจมีหลักธรรมะคุ้มครองไว้ คือตัวขันติและโสระจะเป็นหลักแม้การปฏิบัติธรรมะอย่างอื่นก็กอให้เกิดผลในการนำจิตออกจากอำนาจของกิเลสเช่นเดียวกันคนนี้บุคคลผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ว่ากุศลละธรรมนั้นเป็นภาเวตประธรรมคือเป็นธรรมะที่บุคคลจะต้องอบรมกระทำบำเพ็ญให้บังเกิดขึ้น แต่ว่าการที่จะสร้างกุศลธรรมให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นก็ขึ้นกับอํานาจบา ร, รมีที่เป็นตัวสนับสนุนถ้าหากว่ามีบา ร, รมีอ่อนก็ต้องใช้ความเพียรพยายามมากหน่อยถ้าบา ร, รมีแก่กล้าความเพียรพยายามในปัจจุบันถึงแม้จะไม่มากก็อาจที่จะบรรลุผลที่ตนต้องการ ด้วยการประพฤติปฏิบัติเหล่านั้นได้ในชั้นของการปฏิบัติจริงๆบุคคลไม่รู้ว่าตัวมีบารมีม า, มามากน้อยแค่ไหนเพียงไรหลักการที่จะต้องใช้ในปัจจุบันก็คือว่าจะต้องพยายามสร้างชันทะความพอใจในกุศ ล, ละธรรมให้บังเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในอุรยาบทใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วจิตใจนั้นจะต้องให้มีกุศลธรรมเป็นตัวคุ้มครองไว้เสมอเพราะเมื่อกุศลธรรมบังเกิดขึ้นจิตใจของบุคคลจะมีความรู้สึกแปลกใหม่คือมีความสงบมีความเยือกเย็นไม่วาวุ่นไม่สับสนในด้านจิตใจเมื่อเป็นเช่นนี้ ความยินดีในกุศลธรรมก็จะสูงขึ้นความเพียรพยายามที่จะสัมผัสผลให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็จะติดตามมาความเอาใจใส่ใส่ใจที่จะแสวงหาที่จะศึกษาที่จะสอบถามที่จะลงมือประพฤติธปฏิบัติในกุศลธรรมก็ติดตามมาเช่นเดียวกันเมื่อประสบปัญหาเช่นว่าจิตไม่มีความสงบ ถึงแม่จะปฏิบัติมานานแล้วเป็นต้นก็จะใช้วิมังสาสอดสอ่องสภาพจิตของตนในขณะนั้นว่าเป็นอย่างไรก็อาจจะพบความจริงว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะโทษของความไม่สงบนั้นเรายังไม่ได้เห็นประจากชัดผลคือความสงบที่เรียกว่าสมาธิเราไม่ได้สัมผัสอย่างแท้จริงอาการของจิตในลักษณะนี้ จึงถูกนวงเหนียวเอาไว้ด้วยอำนาจแห่งอากุศลซึ่งบุคคลจะต้องใช้ปัญญาเพ่งพินิษให้เห็นโทษของอากุศลชัดเจนยิ่งขึ้นและเพียรพยายามปฏิบัติเสริมสร้างในส่วนที่เป็นกุศลให้มากขึ้นด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมานี้ความเหนื่อยหน่ายความไม่ยินดีในอากุศลก็จะสูงขึ้น ความฉันทะความยินดีในกุศลก็จะเพิ่มขึ้นเป็นการปรับจิตของบุคคลให้ถอยห่างจากอากุศลออกไปเข้าใกล้ชิดแนบสนิทกับกุศลมากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อวาระนานมาถึงข้าวบุคคลก็จะได้รู้รถแห่งธรรมะซึ่งทรงแสดงไว้ว่าเป็นรถที่ประเสริฐเลิศกว่ารถทั้งหลายในโลกนี้ แต่วรถแห่งธรรมะเหล่านี้เป็นเรื่องสารทิตโกคือผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้เองเพราะผลแห่งธรรมะนั้นเป็นปัจจตังเวดิตบโบวินยูชิอันบินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนดังนี้เหตุนั้นในตอนต้นแห่งมหาสติมัทฐานปฐานสุดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงว่า เป็นเอกายนามัตคือเป็นทางที่บุคคลจะเดินไปต้องเดินไปด้วยลำพังตนเองและจะสัมผัสผลตามที่ทรงแสดงไว้ด้วยลำพังตนเองฉะนั้นต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป